ข้อที่สองี้ท่านบอกว่าให้รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายก็คือว่าอย่าสบายมากไปนะต้องเจอความลำบากบ้างเดีย๋ยวนี้เราก็พบแล้วว่าชีวิตที่มันสบายมากเกินไปมันทำให้เกิดโรคแล้วก็อายุสันนะ้นเช่นคนที่เอาแต่นั่งดูโทรทัศน์นะวันละหลายชั่วโมงมก็พรมีโอกาสที่จะ ตายเพราะเราหัวใจมากกว่าคนที่เขาทำงานปกติเนี่ยนะทั้งสี่เท่านะเอาแต่นั่งน่งนอนนอ น, นะแม้แต่ทางานถ้าทำงานอยู่แต่บนโต๊ะนะอยู่ในห้องแอร์อันนี้ก็าอายุไม่ยืนนะถึงแม้ว่ามันจะ ส, สบายเพราะนั้นเขาก็แนะนำนะว่าให้ออกไปเจอแดดบ้างหรือว่าออกกำลังกายบ้าง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 อายุแค่ยี่สิกว่าก็ตายแล้วแต่ว่าไอ้ขาวนี่มันต่างอย่างเนื้อนะเนื้อนี่มันฝรั่งก็ก็เดีนี้ก็รู้แล้วว่ากินมากๆนี่มันก็เป็นอันตรายนะต่อสุขภาพก็หันมากินพวกผัก น, ะนี่คนที่กินมังสวิรัตนะเป็นเรียกว่าตลอดชีวิตเลยก็มีเยอะก็คงมีส่วนทาให้อายุยืนด้วยนะอันนี้วิธีหนึ่งที่ช่วยทาให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 อุบัติเหตก็ไดนตายเพราะถูกเขาตีหัวเอาก็ได้ไปอารวาทเขาแล้วก็เขาก็เลยแก้แค้นตอบโต้กลับมาก็ตายหรือว่าตายเพราะโรคนะสุราเลือดลังแต่ถ้าเรารักษาศีลเขาอื่นด้วยนะยิ่งเป็นศีล8ปด้วยนี่ยิ่งดีเข้าให่เพราะศีลแปนี่เป็นเรื่องการอยู่ง่ายกินง่ายแทนที่จะกินข้าวหลายมื้อก็กินข้าวสองมื้อนะ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 ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อลอนใจทําให้กลุ่ม อ, อกกลุ่มใจซึ่งบั่นทอนอายุให้สั้นลงข้อที่5คือมีการยายนามิตรน ะ, ะการยายนนี้ไม่ดได้ช่วยนะช่วยตั้งแต่ทําให้มีศีลถ้าได้ปลาประมิตรนี่มันก็พาให้ผิดศีลพาเข้าหาอบายมุขถ้าได้การยายนามิตรนะหรือมิตร ด, เดีเขาก็ทําให้มีศีลแต่ว่าการยายนามิตรหมีประโยชน์มากกว่านั้นนะก็คือ